หัวข้อความซับซ้อนในการใช้อุปกรณ์เล่นเกมกลายเป็นอุปกรณ์การเล่นที่เห็นง่ายและจับต้องได้ชัดเจนส่วนใจเป็นอุปกรณ์การเล่นที่เห็นไม่ได้ไม่อาจจับต้องทางเดียวที่จะทราบว่าใจเป็นอย่างไรระหว่างมืดหรือสว่างร้อนหรือเย็นมุ่งร้ายหรือมุ่งดีก็ต้องใช้ใจรู้เองเท่านั้น ธรรมชาติของกายกับใจข้อนี้เป็นข้ามูลของความซับซ้อนเพราะไม่มีใครรู้ใจใครจึงหลอกกันได้ด้วยการอําพรางความคิดนึกอีกทั้งใจก็ปรวนแปรกลับกลอกได้ไม่ใช่ตั้งไว้ตรงไหนก็จะอยู่ตรงนั้นตลอดไปไม่กลับไม่เปลี่ยนและคนแม้สองคนจะลงมือกระทําทางปากหรือทางกายเหมือนเหมือนกันแต่ถ้าวิธีคิดวิธีมอง หรือมโนกรรมแตกต่างกันก็ให้ผลเป็นคนละเรื่องยกตัวอย่างเช่นหมอสองคนฉีดยาให้คนไข้เหมือนๆกันแต่หมอคนหนึ่งเลือกยาที่รู้ว่าจะช่วยให้หายขาดก็เรียกว่ามีมโนกรรมเป็นการช่วยเหลือและทําหน้าที่ของหมอด้วยจิตวิญญาณของหมอส่วนหมออีกคน เลือกอยาที่รู้ว่าจะบรรเทาอาการเจ็บไข้ให้ลดลงแต่ต้องมาฉีดยาและจ่ายเงินเพิ่มอีกหลายหนก็เรียกว่ามีมนโนกรรมเป็นการขูดรีดไม่ได้ทำหน้าที่ของหมอจิตวิญญาณเป็นแค่พ่อค้ายาแก้ปวดผู้ไร้ความปราณีเท่านั้นเมื่อตั้งเจตนาเป็นกุศลเช่นจะช่วยเหลือผู้อื่นให้พ้นจากความเดือดร้อน เรียกว่าทำกรรมขาวเพราะกรรมนั้นมีความสว่างและปรุงแต่งจิตให้สว่างสามารถรู้สึกได้ด้วยใจว่าทำกุศ ล, ลกรรมและเบิกบานมีปิติสมานัดนานอยากยิ้มชื่นใจโอบอกเบาโล่งอบอุ่นและรู้สึกปลอดภัยไร้กังวลฉะนั้นเมื่อสะสมกุศลเจตนาไว้มากจึงไม่รู้สึกกลัวตายมาก เราเหมือนทราบแก่ใจลึกๆว่าจบเกมเมื่อไหร่จะได้รางวัลเมื่อนั้นเมื่อตั้งเจตนาเป็นอกุศลเช่นจะเบียดเบียนให้ผู้อื่นต้องเป็นทุกข์ก็เรียกว่าทำกรรมดำเพราะกรรมนั้นมีความมืดและปรุงแต่งจิตให้มืดสามารถรู้สึกได้ด้วยใจว่าทำอกุศลละกรรมละทึบแน่น แม้เกิดความอิ่มใจหรือสะใจบ้างก็หน่วงหนักอยู่ในอกและรู้สึกเหมือนตกอยู่ท่ามกลางพยานตรายน่ากลัวอย่างลึกลับฉะนั้นเมื่อสะสมอกุศลลเจตนาไวมากจึงรู้สึกกลัวตายมากเพราะเหมือนทราบแก่ใจลึกๆว่าจบเกมเมื่อไหร่ก็จะโดนลงโทษเมื่อนั้นสรุปแล้วแม้เกมกรรมจะซับซ้อนด้วยอุปกรณ์การเล่นเพียงใด ในที่สุดก็อ่านง่ายด้วยการเล็งไปที่เจตนาตัวเดียวจะตัดสินว่ากรรมใดเป็นขาวหรือเป็นดำก็ด้วยเจตนาเท่านั้นจึงกล่าวได้ว่าเจตนาคือกรรมกรรมคือเจตนา